มันลักษณะของสังคตะคือสังคตะลักษณะนั้นจึงเป็นธรรมชาติที่มีความแต่ความไม่เที่ยงทีนี้ถ้ารู้จริงก็รู้ว่าขณะที่เกิดก็ไม่มีความเสื่อมขณะที่เสื่อมก็ไม่มีความเกิดเกิดกับเสื่อมไม่ได้อยู่ด้วยกันเกิดก็อย่างหนึง่งเสื่อมก็อย่างหนึง่งสภาวะที่เสื่อมก็ไม่มีในสภาวะที่เกิดสภาวะที่เกิดก็ไม่มีอยู่ใน สภาวะที่เสื่อมลักษณะที่เสื่อมไม่มีในลักษณะเกิดลักษณะเกิดก็ไม่มีอยู่ในลักษณะเสื่อมเมื่อพระโยคีนั้นเป็นผู้รู้ผู้มีความรู้นะมีปัญญาอย่างรู้ถึงสัจจะปฏิจจสมุปบาทนิยะลักษณะปรากฏชัดอย่างนี้แล้ว สังขารทั้งหลายย่อมปรากฏเป็นของใหม่เป็นนิดอย่างนี้ทีเดียวว่ามีแต่ของใหม่ๆนะเกิดขึ้นทำเหล่านี้ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้แหลเหมือนอะไรนะเหมือนเสียงพินใช่ไหมเสียงพินเสียงอะเสียงกีตาร์เป็นต้นนะนะเสียงเหล่านั้นจากไม่มีแล้วมีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็ สลายไปสังขารทั้งหลายทั้งมวลก็เช่นนั้นจากไม่มีแล้วมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็สลายหายไปหมดอันนึ่งสังขารทั้งหลายมิใช่แต่ปรากฏเป็นของใหม่เป็นนิดอย่างนั้นอย่างเดียวเท่านั้นก็ยังปรากฏว่าตั้งอยู่ชั่วกาละนิดหน่อยนิดหน่อ ย, น, น, อยนะกรรมชรุปก็มีอายุนิดหน่อยจิตตชรุปก็มีอายุนิดหน่อยอุตุชรูปก็มีอายุนิดหน่อยอาหารชรูปก็มีอายุอยู่นิดหน่อยสุขเวทนาก็อายุนิดหน่อยทุกเวทนาก็มีอายุนิดหน่อย อุเบกขาเวทนาก็มีอายุนิดหน่อยรูปประสัญญาก็มีอายุนิดหน่อยสัพทะสัญญาก็มีอายุนิดหน่อยนะคันทาสัญญาก็มีอายุนิดหน่อยรัสสัญญาก็มีอายุนิดหน่อยโพธภาษัญญาก็มีอายุนิดหน่อยธัมมะสัญญาก็มีอายุอยู่นิดหน่อยรูปประสัญเจตนาก็อายุหน่อยเดียวโสัพทะสัญเจตนาก็อายุนิดเดียวรัสสัญเจตนาก็มีอายุอยู่นิดเดียวจากขูวิญญาณก็อายุนิดเดียว โซตากานาะชิวหาวิญญาณแต่ละอย่างก็มีอายุอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละไม่นานทุกอย่างมีอายุอยู่ชั่วคราวใช่ไหมเหมือนอะไรหยาดน้าค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าเออมันก็ตั้งอยู่หลายชั่วโมงกันนะมันหน่อยเดียวนะถ้าเทียบกับทั้งวันแล้วนะหยาดน้ําค้างมันตั้งอยู่หน่อยเดียวเหมือนฟองน้ําใครเคยเล่นฟองน้ำบ้างไหมนั่นแหละ เหมือนอย่างรอยไม้ขีดไปบนน้าแคกเดียวก็หมดแล้วเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเหล็กแหลมนะมันจะตั้งอยู่อะไรนานนะนิดเดียวเหมือนอย่างสายฟ้าแลบฟ้าแลบ ว, วับเดียวก็เห็นแต่ภาพแล้วก็หมดไปแล้วนะหาสาระไม่ได้ปราศจากแก่นสารเหมือนมายาเหมือนดูหนังอนะ ดูเสร็จก็ดูมายาก็คือเหมือนก็ดูหนังดูอะไรนะเสร็จแล้วก็จอเปล่าเปล่านั่นแหละฉายเป็นภาพโอ้เป็นจริงเป็นจังหัวเราะร้องให้ซึ้ง น, นะอีกพักหนึ่งเหลือแต่จอเขาเขาอ่านะมือนดูทีวีนะสังเกตดูนะอุ้ยตอนเปิดนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังอย่างหัวเราะร้องให้เอาเป็นเอาตาอยู่ตรงนั้นนะ น, น, นะพอปิดมาปั๊บไม่มีอะไรล้วนั่นะขันห้าทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหลเหมือนพยับแดดเหมือนพยับแดดพยับแดดเนี่ยนะดูเหมือนน้ำท่วมถนนไปหมดแล้วเนี่ยนะไปถึงมีอะไรมีแต่ความร้อนระอุ เหมือนความฝันเมื่อวานก็เหมือนความฝันไหเมื่อตอนฟังทำปีใหม่ก็เหมือนฝันไปแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วก็เหมือนฝันอีกไม่นานสักเท่าไหร่ชาตินี้จะเหมือนฝันทั้งชาติเลยนะจากเหมือนฝันวันนี้ก็จากเหมือนฝันของพรุ่งนี้สัปดาห์นี้จะเหมือนฝันของสัปดาห์หน้าปีนี้จากเหมือนฝันของปีหน้าชาตินี้จากเหมือนฝันของชาติหน้าสังขารทั้งหลายประดุจความฝันมองจากมุมใดๆสังขารทั้งหลายก็เหมือนความฝัน เหมือนกับล้อไฟเคยเคยเอาอะไรมาแกว่งแล้วมันเหมือนวงกลมล้อใช่ไหมไปอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนล้อไฟเหมือนเมืองคนทันเหมือนเมืองคนทันก็คือเมืองในจินตนาการน่ะนะสร้างเมืองในความฝันน่ะสร้างโอ้ตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วไม่มีอะไรเหมือนฟองน้ําเหมือนต้นกล้วยต้นกล้วยถ้ามาลอกกราบเล่นเล่นดูแล้วนัมันจะไม่มีอะไรสมัยเด็กๆชอบลอกกราบกล้วยเล่นลอกไปลอกมาลอกมาลอกไปก็ได้แต่ขยะเต็มมันน่ะอย่างนี้จริงๆสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละ นั้นใครที่เจริญได้ดังกล่าวมานี้ก็ชื่อว่าบรรลุอุทยพยานรู้ความเกิดและความเสื่อมยานที่รู้ความเกิดและความเสื่อมว่าสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมเกิดและก็สิ่งที่เกิดแล้วก็เข้าถึงความเสื่อมสิ่งที่มันเสื่อมเป็นนี่แหละมันเกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในที่สุดมันก็เสื่อมดูถูกมันก่อนเลยใช่ไหมอุ้ยตัวเสื่อมนั่นแหละที่มันเกิดมันมีอะไรหรอกแ้ามันเกิดแล้วมันก็ เสื่อมแต่นี้เราบางทีเราก็เข้าใจนะแต่เราไม่เอามาเจริญเฉยๆหรอกไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยเอามามามามาอะไรนะมาเป็นปริญญาธรรมมาเป็นธรรมที่ควรทําปริญญาเข้าไปพิจัยพิจารณาจนบริบวนรอบครอบอย่างละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะผู้ที่เจริญได้ตามนี้แหละเรียกว่าอารัฐวิปสก์ น, นะนะผู้ปรารบผู้ ผู้ปรารบเพื่อการเห็นแจ้งหรือว่าผู้ปรารบเพื่อให้มีวิปัสนาเนี่ยนะลำดับนั้นวิปัสนูปกิเลสสิบอย่างย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นผู้ปรารบวิปัสนาด้วยตรุณาวิปัสนานี้วิปัสนูปกิเลสย่อมไม่เกิดแก่พระอริยาสาวกผู้ได้บรรลุปฏิเวคธรรมคือมรรคผลนิพพานแล้ว น, นะสรุปบอกก่อนนะเาเตือนก็ บ, บอกว่าอริยาสาวกไม่มีวิปัสณูปกิเลส สวิปัสนูปกเลสย่อมไม่เกิดแก่ผู้ปฏิบัติผิดปฏิบัติผิดผิดยังไงวิปัสนูปกเลสก็ไม่เกิดต่อไปอีกบอกว่าวิปัสนูปกเลสก็ไม่เกิดแก่คนขี้เกียจทิ้งกรรมฐานานะคนขี้เกียจค้านก็วิปัสนูปกเลสไม่เกิด แตวิปสัสโนปกิเลสย่อมเกิดขึ้นแก่กุลบุตรผู้ปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาได้ถูกต้องผู้ปรารบวิปัสนาแล้วเท่านั้นปรารบวิปัสนาด้วยความเข้าใจอย่างดีและถูกต้องอย่างต่อเนื่องพวกปฏิบัติอย่างนี้แหละวิปสัสโนปกิเลสจึงจะเกิดวิปสัสโนปกิเลสเนี่ยนะมีอยู่10อย่างด้วยกัน1โอภาษส2งยาน3ปีติ4ปสัสสติห้าสุขหอธิมโมกเจ็ ตักขาหะ8ดอุปทานะเก้าอุเบขาสิบนิกันติสิบอย่างข้อแรกโอภาษคือแสงสว่างแสงสว่างข้อสองยานะคือความความรู้หรือปัญญาสามปีติความเ อ, อิบอิ่มใจปลื้มใจปัจสธิคือความสงบระงับสุขก็คือความสุขทางกายและใจอธิมโมก ค, คือความโน้มใจเชื่อดิ่งใจปักใจลงตักคาหะคือความเพียรที่ประคองเอาไว้อย่างมั่นคง อุปทานะก็คือสติที่เข้าไปตั้งเอาไว้นั่นเองอุเบขาคือความวางเฉยนิกัรติคือตันหาคือความใคร่อย่างที่ภาษารียบวกกล่าวไว้ในปฏิสัมพินธ์มักว่าถามว่าภิกษุที่ใจที่ภิกษุถือเอาผิดเพราะความฟุ้งท่าฟุ้งซ่านในธรรมเนี่ยนะคือทำ ม, มุจจาณะนะความฟุ้งซ่านในธรรมจะมีได้อย่างไรตอบว่าโอภาษย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้มรัสการว่าไม่เที่ยง ย่อมนึกถึงโอภาษ์ว่าโอภาสเป็นธรรมะความฟุ้งซ่านไปเพราะโอภาษ์นั้นเป็นอุทจฉาพิสุผู้มีใจถือเอาผิดพระอุทจฉานั้นย่อมไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งความปรากฏว่าเป็นของไม่เที่ยงย่อมไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งความปรากฏว่าเป็นทุกย่อมไม่รู้ตามความเป็นจริงซึ่งความปรากฏว่าเป็นอนัตตาใช่ไหม คือตอนแรกนะพอใส่ใจว่าสังหารไม่เที่ยงพอคิดว่าไม่เที่ยงปั๊บแสงสว่างสว่างวาบขึ้นมาเลยนะเหมือนกับว่าไม่เที่ยงปั๊บสว่างขึ้นมาเลยอย่างนี้นะบอกโอ๊ยแล้วก็ฟุ้งไปความสว่างนั่นแหละสว่างนี่แหละมรรคผลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะนี่นะพอเราใส่ใจว่าไม่เที่ยงปั๊บสว่างโล่งขึ้นมาเลยเนี่ยในี้บรรลุแล้วนี่แหละมรรคผลบางทีไม่สว่างแต่ก็เดาเอาว่าสว่างก็มีนะ บรรพู้ที่อะไรนะพอใส่ใจโดยความไม่เที่ยงว่ า, าไม่เที่ยงก็เกิดโอภาษขึ้นหรือใส่ใจว่าเป็นทุกโอภาษ์ก็เกิดขึ้นใส่ใจว่าเป็นอนัตตาโอภาษก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะก็เลยไปหลงชื่นชมไอโอภาษ์นั่นแหละเลิกใส่ใจอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไปนั่งชมแต่ความสว่างเนี่ยนะชมแต่ความสว่างบางท่านก็บอกติดตามความสว่างไปเรื่อยนั่นแหละอย่างนั้นเหมือนกันบางท่านก็บอกว่า ยานย่อมเกิดขึ้นแก่พิสูจนผู้มานัิการว่าไม่เที่ยงนะพอใส่ใจโดยความไม่เที่ยงก็ยานก็เกิดขึ้นเลปีติปสัสสะที่สุขอธิโมกปะคาหะอุปทานะอุเบขาและนิการติย่อมเกิดขึ้นเธอนึกถึงนิการติว่านิการติเป็นธรรมะธรรมะตัวนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าโลกุตระธรธรมคือนึกถึงสิ่งสิบอย่างนั่นแหละว่าเป็นมรรคผลนิพพานไปเข้าใจว่านี่คือโลกุตระธรธรมเข้า ก็นึกถึงว่านี่นะนึกถึงโอภาสยานปีติปัสสัตที่สุขอธิโมกปะคหาอุปทานอุเบขานิการติว่าเป็นมรรคผลนิพพานก็เลยเลิกอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาและเลิกพิจารณาทุกขศัพท์โดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปนั่งชื่นชมสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นมรรคผลนิพพานเข้าบรณาอุปกิเลสสิบอย่างชื่อว่าโอภาษได้แก่วิปัสโนภาษ แปลว่าแสงสว่างที่เจิดจ้าเกิดขึ้นเพราะวิปัสนาพอเจริญวิปัสสนาก็เกิดแสงสว่างขึ้นเมื่อโอภาษนั้นเกิดขึ้นพระโยคาวจรคิดไปว่าก่อนแต่นี้แสงสว่างเห็นตานี้ไม่เคยเกิดแก่เราเนอแน่แล้วเราเป็นผู้บรรลุมรรคแล้วเราเป็นผู้บรรลุผลแล้วอย่างนี้ก็นึกว่าไอ้แสงสว่างนั่นคือนิพานเข้าแล้วก็ย่อมถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่มรรคเลยว่าเป็นมรรคถือสิ่งที่ไม่ใช่ผลเลยว่าเป็นผล เมื่อพระโยคาวจรถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่มรคว่าเป็นมรสิ่งที่ไม่ใช่ผลว่าเป็นผลไปเสียวิปัสนาวิถีก็ชื่อว่าเป็นอันหยุดชะงักไปแล้วเลิกอานิจังทุกขังอนัตตาเลิกไอ้อุทยาพย า, ยานเลิกอะไรทิ้งหมดไปนั่งชื่นชมแสงสว่างเป็นอย่างเดียวพระโยคาวจรนั้นสละมูลกรรมฐานคือการพิจารณาเหตุเกิดความดับอานิจังทุกขังอนัตตาของตนเสียแล้วนั่งชื่นชมอยู่แต่แสงสว่างโอภาษอยู่เท่านั้น เลิกเลยนะพอแล้วบรรลุแล้วนนะก็โอภาษนี้นั่นแหลสําหรับภิกษุบางรูปเกิดขึ้นทําแสงสว่างเพียงที่นั่งคูบาลังเท่านั้นคือสว่างเฉพาะแค่ที่บริเวณที่นั่งอนะถ้าเจริญกลางวันก็สว่างมากอนะแต่เมื่นี้พูดถึงว่ากลางคืนเน่ยนะโอภาษเกิดกลางคืนบางคนก็สว่างชั่วบริเวณที่ตัวเองนั่งบางรูปทําภายในห้องให้สว่างบางรูปก็บอกว่า ทำแม้ภายนอกห้องให้สว่างบางรูปก็สว่างในบริเวณวัดเลยบางรูปก็สว่างเป็นขาวุธเลยเป็นกิโลนะบางรูปก็สว่างเป็นโน่นแหะประมาณแปดกิโลบางรูปก็เป็นสิบหกกิโลบางรูปก็สาสิบสองบางรูปก็สี่สิบแปดกิโลเมตรเนี่ยนะบางรูปก็สว่างจนถึงพรห ม, มลูกแต่สําหรับพระผู้มีพระภาคเจ้านี่พระองค์เนี่ยสว่างตลอดหมื่นโลกธาตุสว่างหมดเลยนะหมื่นโลกธาตุสว่างกระดวงอาทิตย์อีก อันนี้สว่างในสติปัญญานะไม่ใช่แสงสว่างมันเกิดจริงๆไม่ใช่แสงข้างนอกนะแต่ว่าปัญญาที่เกิดขึ้นทำให้สว่างเรียกอะไรนะปัญญาโอภาสความสว่างคือปัญญาโอภาษคือปัญญาปัญญานี้ทำให้สว่างมันปัญญาที่ทำให้สว่างมองเห็นอะไรก็ไม่เท่ากันต่อไปนี้เป็นเรื่องแห่งความแตกต่างกันแห่งโอภาษอย่างนี้มีเรื่องเล่ามาว่าที่จิตละบรรพฤวิหาร ที่ศรีลังกานะพระเทรซสองรูปนั่งอยู่ข้างในเรือนที่มีฝาสองชั้นวันนั้นเป็นวันอุโบสถข้างแรมคือวันกาลปักก็คือวันสิบสี่ค่ำเดือนขาดเนี่ยนะทิศทั้งหลายถูกก้อนเมฆปิดบังในตอนกลางคืนความมืดอันประกอบด้วยองค์สี่ย่อมเป็นไปคือมันมืดจนลำดับนั้นพระเระรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านผู้เจริญบัตรนี้ดอกไม้มีสีห้ามีห้าสีเนี่ยบนแท่น ท้าสิงหนะ์น่ะลานเจดีปรากฏแก่กับผมดังนี้คือที่พระเจดี JD, ปกติคนจะเอาดอกไม้สีต่างๆไปบูชาพระเจดี JD, ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระเทระนั่งอยู่ก็บอกโอ้นั่นอะ่ะดอกไม้ผมเห็นหมดเลยดอกไม้ตั้งอยู่ตรงนั้นอ่ะนะลำดับนั้นพระเทระรูปหนึ่งกล่าวว่าท่านผู้เจริญบัดนี้ดอกไม้ห้าสีปรากฏแก่ผมอีกรูปหนึ่งบอกว่าเนะี่ยท่านผู้เจริญอ่เอนี่ยนะท่านผู้มีอายุ ท่านพูดถึงสิ่งที่ไม่น่าอัศจรรย์แต่ว่าในเวลานี้ปลาและเต่าในที่ไกลออกไปหนึ่งยอดในมาหาสมุทรปรากฏแก่ผมก็แสดงว่าที่ตรงนั้นไม่ไกลจากทะเลนะ่ไหบอกว่ามองเห็นปลาในทะเลหมดเลยเนี่ระหวังรัศมีร่วมยี่สิบกิโลเมตรเนี่ยมองเห็นหมดเลยก็วิปัสนู ป, ปกิเล์นี้โดยมากย่อมเกิดแก่พระโยคีผู้ได้ทั้งสมถะและวิปัสนาหมายคือว่าปกติตัวเองก็เจริญกสินเจริญสมถะอย่างอื่นประกอบอยู่แล้ว มันพอมาเจอวิปั ส, สนาเข้ามันเคลื่อนไปเป็นแสงสว่างเข้าก็เลยนยกว่าบรรลุไปแล้วพระโยคีผู้ได้ทั้งสมถะทั้งวิปั ส, สนานั้นย่อมทำความคิดให้เกิดขึ้นว่าเราเป็นผ้ารัานเพราะอะไรเพราะกิเลส ท, ทั้งหลายที่สมาบัติข่มแล้วจะกลับฟุ้งขึ้นอีกไม่ได้เลยอนุภาพของสมถะทำให้กิเลสไม่เกิดอนุภาพของปัญญาเนี่ยโดยโลกิ ย, ยานก็รู้สัจจะ รู้ปฏิจจสมบูบาทรู้นัยยะรู้การละกิเลสรู้อะไรอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดรู้อนิจจังทุกขังอนัตตามันทั้งสมถาวิปัสนาที่เกิดควบคู่กันไปก็นกวตัวเองบรรลุแล้วเพราะปัญญาตัวเองก็มีอ่ะกิเลสมันก็ไม่กำเริบไม่บรรลุแล้วจะเรียกอะไรใช่ไหมก็เลยถามตัวเองเข้าข้างตัวเองบเบ็ดเสร็จหมดเลยโดดพระมหานาถเถระผู้อาศัยอยู่ที่อุดจังกาลาอุดจังกวาริกกวิหาร โดยพระมหา ท, ตาทาัตเถระผู้อาศัยอยู่ที่หังกณกกวิหารและดูพระจูรสุมนเถระผู้อาศัยอยู่ที่เรือนเป็นที่ทําความเพียรชื่อว่านิงกะเป็นนกณนะจิตตะบรรพศวิหารฉะนั้นชื่อศีลังกานี่ก็อ่านยากงกันนะเดี๋ยวจะไปดูสักหน่อยมันเป็นยังไงไปดูก็ไม่เหลือแล้วเหลือแต่ฟากอิดนะมา้าอันนี้ท่านก็เล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังว่า บรรดาเรื่องเหล่านั้นจะแสดงเรื่องเรื่องหนึ่งนางต่อไปนี้มีเรื่องเล่ามาว่าพระมหาคีนาศผู้มีปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานรูปหนึ่งอันที่จริงนะแปลว่าแตกฉานเนี่ยปฏิสัมพิทาแปลว่าแตกฉานเนี่ยคือเราก็มาคิดดูคําว่าแตกกับคําว่าฉานเป็นยังไงถนึกกระจกใช่ไหมกระจกแตกกับกระจกฉานฉานนี่แปลว่าร้าวแตกก็คือกระจายไปหมดฉานก็คือมันร้าวใช่ไหม แปลอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอกว่าผู้มีปัญญาเชี่ยวชาญอันไหนเข้าใจกกันแล้วแต่ชอบนะสรุปบาลีมาจากศสา์ว่าปฏิสัมพิทาจริงมาจากคําว่าปัญญาที่จําแนกแยกแยะประเภทต่างๆได้นะปฏิสัมพิทาก็คืออย่างที่จําแนกประเภทต่างๆโดยนัยยะแห่งอัฏฐนิรุต ป, ปฏิภาณปฏิสัมอแล้วก็อัฏฐ ธ, ธรรมะนิรุตและปฏิภาว น, นั่นเอง ทีนี้พระเถระรูปนี้ชื่อว่าท่านพระธรรมทินนะเถระอาศัยอยู่ที่ตลังคราวิหารเป็นผู้ให้โอวาดแก่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็คือเป็นหัวหน้าอาจารย์ใหญ่มากวันหนึ่งท่านนั่งอยู่บนอาสนะเป็นที่พักในเวลากลางวันของตนแล้วรำพึงไปว่ากิจแห่งความเป็นสมณะคือการบรรลุมรรคผลของท่านพระมหานาาเถระผู้อาศัยอยู่ที่อุดจังกวาลิกวิหารผู้เป็นอาจารย์ของเราถึงที่สุดแล้วหรือไม่หนอ ก็คือนึกว่าเอ๊อาจารย์ของเราเป็นพระอรหรันต์หรือยังนนะดังนี้ก็พบว่าท่านยังมีความเป็นปุตุชนอยู่และยังทราบด้วยว่าเมื่อเราไม่ไปหาท่านจักตายทํากาลกิริยาทั้งที่ยังเป็นปุตุชนอยู่เป็นแน่รู้เลยว่านะว่าเนี่ยนะอาจารย์เรายังเป็นปุตุชนถ้าเราไม่ไปช่วยท่านนะท่านก็ตายแบบปุตุชนด้วยเดชแห่งฤทธิ์จึงเหาะขึ้นไปยังเวหา เอะขึ้นบนอากาศลอยไปลงณนะที่ใกล้พระเถระผู้นั่งอยู่บนอาสนะเป็นที่พักกลางวันพักกลางวันก็คือที่อยู่เทพ่งๆนะเย็นๆสบายหน่อยกราบไหว้แล้วก็แสดงอาจารยวัดก็นั่งลงณนะที่สมควรส่วนหนึ่งถูกพระมหานาชเถระถามว่านี่เนะี่ยท่านธรรมถินนะทําไมท่านมาหาเราในเวลาที่ไม่เหมาะเล่าเนี่ยนะก็ตอบว่าท่านผู้เจริญกระผมมาเพื่อจะถามปัญหา ตอจากนั้นพระมหานาเทระกล่าวว่าจงถามเถิดท่านผู้มีอายุเรารู้ก็จะบอกให้ก็เลยถามปัญหาถึงหนึ่งพันข้อโอ้พระเทระก็ตอบทุกๆปัญหาที่ถามได้ไม่ขัดข้องเลยถามอะไรก็ตอบได้หมดอ่ะนะคือถามในไม่ว่าจะถามในแง่สมถาวิปัสนาถามในแง่ไหนก็ตอบได้หมดทาไมอ่ะเพราะท่านเนี่ยทรงคำพีอยู่แล้วแล้วท่านก็เจริญสมถะเจริญวิปัสนา เป็นอย่างดีแต่ท่านไม่ได้บรรลุมรควุเท่านั้นเองทัานคําถามทั่วทไปโดยสูตรโดยการปฏิบัติของท่านท่านตอบได้หมดอ่ะจากนั้นเมื่อท่านพระธรรมทินนะเทระกล่าวว่าท่านผู้เจริญความรู้ของท่านนี้แข็งกล้านักท่านบรรลุธรรมนี้เมื่อไหร่ตอบว่าในเวลานับถอยหลังจากนี้ไปหกสิปีท่านก็นึกว่าตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อหกสิบปีที่แล้วน่นบอกท่านผู้เจริญท่านใช้สมาธิไมโคราบหรืั้นปกติเข้าชานบ่อยไหมอ่ะนะ ก็บอกนี้ไม่เป็นการหนักใจอะไรเลยท่านถ้าอย่างนั้นท่านผู้เจริญขอท่านจงสร้างช้างขึ้นมาสักตัวเถอะครับพระเทราก็เนรมิตช้างขึ้นมาเชือกหนึ่งซึ่งมีตัวขาวปลอดเนี่ยนะช้างสีขาวช้างเผือกอะนะพระธรรมทินนะเทระก็กล่าวต่อไปว่าท่านผู้เจริญบัดนี้ท่านจงทําช้างนั้นน่ะโดยประการที่มันมีใบหูผึง่งมีหางเหยียดชี้ม้วนงวงเข้าไปในปากทําเสียงโกนจนาะเสียงร้องเหมือนนกกระเรียนเนี่ยแหกปากลั่น อย่างน่ากลัวเดินรีตรงมาหาท่านเถิดนะบอกว่าช้างวิ่งมาหาเลยนะพระเทร่าก็ทําอย่างที่ขอครั้นเห็นอาการที่น่ากลัวของช้างที่รีวิ่งมาโดยเร็วว่าเริ่มจะลุกหนีไปนะเนรมิตช้างแล้วก็กลัวเองนะก็เหมือนกับว่าวาดรูปผีเสร็จแล้วก็กลัวผีเองในะลักษณะนั้นนะพระเทร่าผู้เป็นพระขีนาสพจึงเอื้อมมือจับชายจีวรเอาไว้ก็กล่าวกับพระมหานาชเทระนี้นั้นว่าท่านผู้จเจริญขึ้นชื่อว่า ความกลัวความขลาดยังมีแก่พระอาหารหันต์อยู่หรืออุ้ยพระอาหารหันต์อะไรกลัวช้งพระมหานาคเทระในเวลานั้นก็ทราบความที่ตนยังเป็นปุตุชนก็กล่าวว่าท่านธรรมทินนะผู้มีอายุขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมด้วยเถิดเนี่ยนะรู้ตัวเลยนะว่าไม่ได้บรรลุอะไรเลยเนี่ยนะคือไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยก็เลยนั่งกระยงแล้วก็นั่งกระยงอยู่แทบเท้า พระธรรมทินนาเทระกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมคิดว่ากระผมจักเป็นที่พึ่งของท่านนี่แหละจึงได้มาท่านอย่าได้คิดอะไรเลยเขาไม่ต้องคิดมากหรอกแล้วก็บอกกรรมฐ า, านให้พระเทระรับกรรมฐ า, านแล้วก็ก้าวย่างขึ้นสู่ที่จงกรมในวาระย่างเท้าเก้าที่สาก็บรรลุผลอันยอดคืออรหัตผลเดิน3เก้าบรรลุเป็นผ้าอรหันต์นะนะทราบมาว่าพระเทระรูปนี้เป็นคนโทสะจริตนั้นคนโทสะจริตเนี่ยนะบรรลุก็บรรลุเร็ว โทสะเนี่ยนะคลายคลายเร็วโทษมากแต่คลายเร็วราคานี้โทษมากด้วยเออราคาเนี่โทษไม่มากแต่คลายช้าโมหะโทษมากด้วยคลายช้าด้วยนะทีนี้ถ้ามีทั้งสามเลยอะ่อะนะมันพวกอโอภาพเนี่ยนะถ้าถ้าใครที่ถามว่าเอาแล้วพระเทเรรูปนี้ไปแนะนําอย่างไร ก็แนะนําให้เจริญวิปัสนาเนี่ยนะแนะนําให้ไปเจริญปฏิปทายานทัศนวิสุธทธิ์นะแยกแยะว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางก็แนะนําปฏิปทายานทัศนวิสุธทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจเป็นอย่างดีเนี่ยนะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยสมถาวิปัสนาอยู่แล้วเจริญไม่ไม่กี่ก้าวก็เป็นพระอรหันต์อยู่แล้วเนี่ยนะของเราก็ก้าวอยู่สองก้าวนะก้าวซ้ายกับก้าวขวาแต่ก้าวเป็น10บสปีไงหรป่า ทนี้ต่อไปว่ายานยานวิปัสสนูปกิเลสข้อที่สองว่ายานได้แก่วิปัสนาญาณทราบกันมาว่ายานที่กล้าแข็งสละสลวยหย่างยิ่งมีกําลังอันใครๆกําจัดม่ได้ดุดวชิราวุธของพระอินทร์ที่ปล่อยไปแล้วย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีผู้ไตรตรองพิจารณารูปธรรมแนะนามารมอยู่หมายความว่าพิจารณาอะไรไม่ติดไม่ขัดเล่นไปในอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาว่างวายัยนึกว่าบรรลุแล้วนึกถึงอะไรก็อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดเลย พีดอะไรก็สมถาวิปัสนาเป็นไปอย่างดีกว่านึกว่าตัวเองบรรลุแล้วเนี่ยนะความที่มีปัญญามากกว่านึกว่าตัวเองเป็นผู้บรรลุอย่างที่สามคือปีติได้แก่วิปัสนาปีติคือปีติที่ประกอบกับวิปัสนาจิตทราบกันมาว่าในสมัยนั้นปีติห้าอย่างคือคุตตาปีติปีติปีติชั่วขณะนะคนิกะคุตตาก็คือปีติอะไรคุตตะปีติเล็ก เล็กน้อยใช่ไหมคณิกะก็คือชั่วคราวโอการติปีติที่ท่วมทับอุเพงคาปีติก็ปีติที่ทําให้อะไรนะโลดเล่นนะส่วนพารนาปีติก็ปีติที่แผลซ่านไปย่อมเกิดขึ้นไปพระโยคี น, นั้นทําให้เอบอิ่มไปทั่วสรีระเจริญไปเจริญมาอิม่มยังมีความสุขมากนะเอบอิ่ ม, มปีติพูดแบบไทยๆเราบอกคนลุกขนพองก็ น, นี่นก็บรรลุแล้วเนี่ยนะ อย่างที่สี่คือปัสสัททีได้แก่วิปสัสนาปัสสัตทิปัสสัทสทิที่สัมปยุทธ์ด้วยวิปสัสนาจิตทราบกันมาว่าในสมัยนั้นกายและจิตของพระโยคีผู้นั่งอยู่ณนะที่เป็นที่พักกลางคืนก็ตามณนะที่พักกลางวันก็ตามไม่มีความกวนกะวายไม่มีความหนักไม่มีความกระด้างไม่มีความไม่ควรแก่การงานไม่มีความป่วยไข่ไม่มีความคดความโกง คือปัตสัตทิมุทุตากรรมญญาตาปาคุณญาตานะพวกยุคคนธรรมเหล่านั้นเนี่ยเกิดเป็นอย่างดีทําให้จิตนี่สงบประงับแต่ทว่ากายของท่านและจิตของพโยคีนั้นเป็นธรรมชาติที่สงบประงับเบาอ่อนควรแก่การงานแกล้วกล้าแล้วก็เป็นจิตที่ตรงอ่ะนะก็คือพวกอะไรปัตสัตทิระหุตามุตทุตากรรมัญญาตา อันนะัพวกนี้มีกําลังมากพวกยุคโควรธรรมที่ที่เป็นคู่ค่ น, นะมีกําลังมากประโยคีผู้มีกายและจิตอันมีปสัสสัที่เป็นต้นเหล่านั้นอนุเคราะห์แล้วในสมัยนั้นก็ย่อมสวยความยินดีชื่อว่าอมานุสสีคือไม่ใช่ของมนุษย์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในคาถาธรรมบทเรื่องอะไรเรื่องลูกศิษย์ของพระโสนกุติกันนะนนะว่า ความยินดีที่ไม่ใช่ของมนุษย์ย่อมมีแก่ผู้เข้าไปสู่ศูนย์ยาคารคือเรือนว่างมีจิตสงบเห็นแจ้งทำอยู่โดยชอบและเธอพิจารณาเห็นความเกิดแห่งขันหโดยอาการ25และความเสื่อมไปแห่งขันหโดยอาการย5โดยธรรมะใดๆคือพิจารณาไปก็ได้ปีติและปราโมทการได้ปีติและปราโมทนั่นเป็นอมตะธรรมของผู้รู้แจ้ง หมายความว่าเป็นอมะตะของผู้เจริญวิปัสสนามันผู้ที่พิจรารณาความเกิดและความดับไม่ใช่ง้อยซึมไม่ใช่เลยนะมีแต่ปีติปราโมดเ อ, อบิบอิม่มยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากมีแต่ความสงบทางกายมีความสงบทางใจมีแต่ความปราบปลื่มเ อ, อบิบอิม่มอยู่ตลอดปสัสสัที่ที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยธรรมมีลหูตามุทุตากรรมญตาต า, าคุณตาเหล่านี้ทําให้สําเร็จความยินดีที่ไม่ใช่ของมนุษย์ อนนะั้พราความยินดีเหล่านี้มนุษย์ทั้งหลายดีใจด้วยวัตถุ ก, การมใช่ไหมอันนี้ดีเป็นปีติปราโมที่เกิดกับสวิปัสนาเป็นปัสสัทธิเป็นความสุขความสงบที่เกิดพร้อมกับวิปัสนาจึงเรียกว่าไม่ใช่เป็นความยินดีของมนุษย์ทั่วไปพรอมนุษย์ทั่วไปเขายินดีกับความเที่ยงกับความสุขกับความยั่งยืนกับอัตตาสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตา แต่นี้มีความสุขที่อยู่กับการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาความเกิดและความดับพิจารณาสัจจะปฏิจจสมุปบาทพิจารณาการละกิเลสเนี่ยนะท่า น, นก็เลยมีความสุขกับการพิจารณาเพราะมนุษยทท์ทั่วไปเขาไม่หาความสุขแบบนี้กันรอดเหมืนกันนะหาความสุขแบบไหนก็ฟังเพลงไงนี่ต่อไปคําว่าสุขสุขได้แก่วิปัสนาสุขสุขทางใจที่สัมปยุทธ์ด้วยวิปัสนาจิตทราบกันมาว่าในสมัยนั้น สุขที่ประณนีอย่างยิ่งแผ่ไปในสิริระทั้งสิ้นย่อมเกิดแก่พระโยคีนั้นเนี่ยนะมีแต่ความสุขอสบายจริงๆเลยนะมีแต่ความสบายไม่ต้องทําใจให้สบายเพราะมันสบายอยู่แล้วเงี้ยนะเจริญจนสบายแบบนั้นก็ใครไปสบายอย่างนั้นก็อนุมโมทนาด้วยนะคำว่าที่โมกได้แก่ศรัทธาศรัทธาคือศรัทธาที่สัมปยุตคือประกอบพร้อมกับวิปัสสนานั่นแหละเป็นธรรมชาติที่มีกําลังเป็นเหตุทำจิตและเจตสิกให้เลื่อมใส ย, ยิ่งนักคือ จิตเจตสิกเนี่ยผองใสามากด้วยอํานาจของศรัทธาเพราะศรัทธาเป็นธรรมชาติที่เลื่อมใสพันศรัทธานั้นจึงทําให้จิตนั้นเลื่อมใส ย, ย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นพระโยคีนั้นสภาพจิตของท่านเต็มไปด้วยความเลื่อมใสเนี่ยนะก็เลื่อมใสามากๆก็นึกว่าตัวเองรบรรลุเหมือนกันนะ คำว่าปักขะหะได้แก่วิริยะคือความเพียนคือวิริยะที่สัมปยุดด้วยวิปัสสนานั่นเองที่พระโยคีปรารบไม่ย่อหย่อนไม่ตึงประคองไว้ดีย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นเหมืนใครที่เพียรอย่างต่อเนื่องก็นึกว่าตัวเองบรรลุเหมือนกันเนี่ยนะตัววิริยะนะที่ปรารบไม่ย่อหย่อนไม่ตึงประคองไว้เป็นไปด้วยดีอย่างสม่ำเสมอความเพี้ยนเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เข้าใจผิดว่าตัวเองบรรลุ ต่อไปอุปทานะได้แก่สติสติที่สัมปยุทธ์ด้วยวิปัสสนานั่นเองที่เข้าไปตั้งไว้ดีแล้วตั้งมั่นดีแล้วเป็นหลักไม่หวั่นไหวเหมือนกับภูเขาหลวงย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นพระโยคีนั้นนึกถึงนึกหน่วงใส่ใจพิจรนารณาเนี่ยนะอวชนะหรือว่าการนึกถึงก็คืออวัชชาอาวชติสมณะหาะติมณสิครโรติปัจเวขติเนี่ยนะ คือนึกถึงนึกหน่วงใส่ใจพี่จารณาฐานะใดๆฐานะนั้น น, นก็ย่อมเข้าไปเล่นแก่พโยคีนั้นน่ะนะสตินี้เหมือนประโลกปรากฏแก่ท่านผู้มีตาทิพเหมือนกับอะไรนะคนที่มีตาทิพมองเห็นเทวดามองเห็นพรหมเป็นต้นอย่างนั้น พัญสติจะตั้งมั่นในฐานะใดๆโดยก็ตั้งมั่นในความเป็นอสุภะตั้งมั่นในความเป็นอนิจจังตั้งมั่นในความเป็นทุกขังตั้งความตั้งมั่นในความเป็นอนัตตาตั้งมั่นโดยใดๆนึกยังไงก็ตั้งอยู่ในฐานะนั้นๆก็เลยนึกว่าตัวเองบรรลุสังเกตดูนะผู้ที่ได้บรรลุในเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยอย่างเช่นโอภาษใช่โอภาษยามปีติปัสสัตทิ คุณธรรมเหล่านี้ดูดูง่ายๆจําง่ายๆว่าพวกวิปัสสนูปกิเลสคืออะไรคือลักษณะของโพชฌงนะเช่นนะปีติสัมนะนะสติสัมโพชฌงธ ร, รมมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปสัสสทีสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงนะคือเอาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนึกว่าสิ่งนั้นเป็น มรรคผลจริงๆตัวเรียมรรคต้องพโธชงเจ็บประชุมกันแล้วมีนิพานเป็นอารมณ์แต่ตัวพโธชงเกิดมานิ่ๆหน่อยๆอย่างนี้ก็นึกว่าตัวเองได้บรรลุแล้วซึ่งจริงๆก็ยังยังไม่ได้บรรลุเนี่ยนะจะว่าห่างก็ไม่ได้เพราบางท่านแป๊บเดียวอยากบรรลุแล้วสามเก้าเองนะบางท่านก็รู้่าอีหกสิบปีนั่นแหละเนี่ยนะส่วนอุเบขาก็คือวิปัสสนุเบกขาและอาวัชโนเบกขาในสมัยนั้น วิปัสณูเบกขาซึ่งเป็นกลางในสังขารทั้งปวงวิปัสนาเนี่ยวางใจทําใจในความเป็นกลางจริงๆเลยนะคือไม่ไม่ลักษณะไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายไม่อะไรรอบรู้ในลักษณะของสังขารดึกอย่างดีทั้งอาวัชณูเบกขาทางมโนทวารย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติมีกําลังแก่พโยคีนั้นเห็นไหมวิปัสนาเนี่เป็นเรื่องของมโนทวารจริงๆไม่เกี่ยวกับปัญจทวารเลย ตรงนี้นี่เน้นพิเศษบอกเลยว่าเป็นอาวัชนะในมโนทวารนะไม่ใช่อวัชนะทางจักขรทวารหรือปัญจทวารความจริงเมื่อพโยคีนั้นนึกถึงฐานะนั้นๆอยู่อุเบกานั้นย่อมเป็นธรรมชาติตัวนำไปอย่างนี้อย่างแกล้วกล้าเฉียบคมดุดวัชิราวุธคือวัชราวัชระแปลว่าเพชรอาวุธประดุลเพชรเนี่ยนะ ของพระอินทร์ที่ปล่อยไปแล้วดบหอกเผาไฟที่ปักลงไปในหอใบไม้ฉะนั้นมันก็พี่จารณาตรงไหนไปก็อะไรนะคล่องแคล่ลวว่องไวไม่ติดไม่ขัดวางใจเหมือนกับว่าไม่ยึดถืออะไรโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นอุเบกขาตัวนี้เกิดแก่ผู้ใดก็เลยนึกว่าตัวเองบรรลุส่วนข้อสุดท้ายคือนิการติได้แก่วิปัสนานิการติ นิการตินี้เป็นชื่อของตันหานะนิการติอย่างละเอียดมีอาการสงบทําความเยื่อใหญ่ในวิปัสนาอันประดับแล้วด้วยวิปัสณูปกิเลส ท, ทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นดังกล่าวมานั้นย่อมเกิดขึ้นแก่พระโยคีนั้นอันเป็นนิการติที่พระโยคาวจรหรือพระโยคีไม่อาจแม้ที่จะกําหนดได้เลยว่าเป็นกิเลสไอ้ น, นิการตินี้เป็นชื่อของตันหานะโอยเรานี่เกง่งเก่งนึกว่า มีวิปั ส, สนานะก็ชอบติดใจในความชอบอันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะตันหาก็คิดว่าตันหาเป็นมรรคผลเอาสิใ น, ในขนาดเจริญนี่ไม่โง่เลยนะใครที่เจริญได้ขนาดนี้เก่งมากเลยนะไม่รู้หรอกว่าเอาตันหะบริหารเก่งมากเลยนะเหมือนผู้บริหารเชี่ยวชาญเก่งมากเลยนะโหยรบชนะศึกมาไม่รู้กี่แห่งต่อกี่แห่งแล้วพอดีเอาลูกโจรไปเลี้ยงไว้ยังไงอะไรไม่รู้ตัวเอาเนื้ว่าลูกเลี้ยงนะที่ไหนได้เลี้ยงโจรยังไงนะ เมื่อวิปัสสโนปะกิเลธทั้งหลายมียานเป็นต้นแม้เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วพระโยคีก็ย่อมถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่มักว่าเป็นมักไม่ใช่มักมีองแปดซะหน่อยใช่ไหมถือเอาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นมักมีองแปดไม่ใช่ผลไม่ใช่ผลและจิตนะโสดาปฏิผลเป็นต้นเลยก็คิดว่าเป็นโสดาปฏิผลเป็นต้นคือคือพวกพวกนี้นะสังเกตง่ายๆว่าพวกนี้ถือเอาโพดชงแต่ละข้อแต่ละข้อว่าเป็นมักเป็นผล คิดง่ายๆอย่างนี้เนละคือไม่เอาโพ่อชงที่ประกอบไปด้วยองค์เจ็ดว่าเป็นมรรคผลไม่ถือเอามรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดว่าเป็นมรรคผลแต่เป็นเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นการบรรลุไม่ใช่มรรคมีองค์เดียวพวกนี้เข้าใจว่าได้องค์เดียวนั่นแหละเนื่ว่าตัวเองบรรลุแล้วทั้งๆ ท, ท, ที่ยังมีสังขารเป็นอารมณ์ด้วยแต่ก็เข้าใจผิดไปเพราะอย่างว่านะแม้แต่กุศลก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความเข้าใจผิดถ้ า, ถาศึกษาไม่ดีก็ไปเข้าใจผิดใ น, ในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็น มักผลเพราะเพราะคนเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอภาษยานปีติปัสสัททิสุขอธิโมกปะคาหาอุปทานอุเบขานิการติเมื่อก่อนมันไม่เคยมีอ่ะนะพอมามีขึ้นก่อนนึกว่าเออมักเกิดแล้วผลเกิดแล้วพอเนึกว่าเกิดมักเกิดแล้วผลเกิดแล้วทําไงก็คือเหมือนเราไปที่ไหนใช่ไหมไปยังไม่ถึงแต่ก็คิดว่าถึงแล้วก็เลยสบายแล้วเขาไม่ต้องไปไหนแล้วอา้าวถึงแล้วจะไปไหนต่อ ปฏิบัติวิปัสนาก็เพื่อให้บรรลุมรรคผลพอคิดว่าสิ่งนี้เป็นมรรคเป็นผลก็ไม่ต้องทําอะไรแล้ว น, นะก็เลิกเลิกเจริญบางคนก็ไปเที่ยวสอนนะครับนี่มานะเที่ยวเผยแพร่หลักเลยนะแต่ว่าคนที่ที่ได้ขนาดนี้ก็ไม่น่าหนักใจหรอกถ้าเผยแพร่จริงนะถ้ามีคุณธรรมถึงระดับนี้เผยแพร่ไม่น่ามีปัญหาสักเท่าไหร่แต่ปัญหาว่าไม่ถึงระดับนี้แล้วเผยแพร่นี่ยุ่งมาก น, นะวุ่นวายหนอขัดข้องเนาะนะยุ่งมาก ผู้ที่เจริญไประดับนี้เนี่ยนะพ อ, พอคิดว่าตัวเองได้บรรลุมรรคผลก็เลยชะ ง, งักเลิกทิ้งมูลกรรมฐานเลิกพิจารณาเหตุเกิดความดับอัศธ า, าอารทีนวานิสระนาไม่เอาแล้วมานั่งชื่นชมแสงสว่างเนี่ยนะมานั่งชื่นชมว่าตัวเองนี่เป็นผู้มีปีติไปนั่งตรงไหนก็พยายามทำให้ปีติมันเกิดปีติไม่เกิดก็เอาน้ำมาลูบตัวคนจะได้ลุ ก, กนนะมีกรรมฐานบางแห่งนะพระพิสูุบางรูปไปเจริญอยู่ในป่านะ ปีติไม่เกิดก็เอาน้ํามาลูบๆให้ขนมันลุกๆบ้างลุ ก, ลกน่อยที่ขนอย่าง น, นัจะได้เกิดปีติขึ้นอ น, นี้เรื่องจริงนะไม่ได้หลอกอนะก็เลยพวกนี้ก็ลั่งชื่นชมแต่พวกไอวิปัสสุปกิเลสนั่นแหละแต่จริงๆในสมัยใหม่เนี่ยนะที่เป็นวิปัสสุปกิเลสไม่มากเพราะว่าวิปสัสสุกิเลสอ่ะปีตินี้ปีติจริงแต่ปีติคนละเรื่องอะนะที่ที่ไม่ใช่เป็นไตในลักษณะการพิจารณาธรรมญาตะปริญญาตรีระปริญญาอะไรขณะนี้ นะเพราะคนที่เกิดปีติในยุคหลังๆมาเนี่ยคำว่าปริญญาแทบไม่ได้ยินเลยคําว่าวิจัยขันธาตยตนะก็แทบไม่ได้ยินเลยเพราะปีติเหล่านี้ก็เป็นปีติที่เกิดจากอะไรเกิดจากสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิรยิยะสัมโพชงอ่ะนะแต่ว่าเนื่องจากปัญญาไม่แก่กล้าก็นึกว่าถึงแล้วถึงแล้วบรรลุแล้วซึ่งจริงๆก็ยังไม่บรรลุส่วนอุบายแก้วิปัสสนุปกิเลสก็คงตอนบ่ายนะเช่นพอนช่วงช้านี้ก็เท่านี้ก่อน